3.11 เอเสื่อมรู้ว่าเสื่อมถ้าเสื่อมอย่าตกใจเสื่อมรู้ว่าเสื่อมเป็นสภาวะอันหนึ่งดูไปอย่างนี้นะสภาวะเสือเส่อมเสื่อมนี่เรียกว่าชารตาความชารานั่นเองฉะนั้นบางครั้งภาวนาไปก็เสื่อมไปบางครั้งภาวนาก็เจริญดูไปอย่างนั้นแหละมีแต่เสื่อมแล้วเจริญถ้าเราภาวนาจนสติเกิดอัตโนมัติแล้วจึงจะนับถอยหลังได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ถ้าสติยังไม่เกิดเองเขี่ยวเขียนทุกวันทุกวันยังนับไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแท้ๆดูออกไหมเจริญสติปัฏฐานแท้ๆไม่มีฐานไหนหรอกไม่มีฐานกายเวทนาจิตธรรมนะมันขึ้นกับว่าสติจะระลึกรู้อะไรเราเลือกไม่ได้ฉะนั้นคนมานั่งเถียงกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนเหมือนกับว่าจะฟันข้างซ้ายก่อนหรือข้างขวาก่อน คือยังเพิ่งเริ่มหัดถึงเถียงกันอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าใจการปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีกระบวนท่าสติระลึกรู้อะไรก็เห็นความจริงของสิ่งนั้นเลย